วันนี้มีพิธีทอดกรถินที่วัดยานเป็นกรถินพระราชทานเนื่องจากว่าวัดยานเป็นพระอารามหลวงเป็นวัดของพระเจ้าแผ่นดินสร้างขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินท่านเลยถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้ทำนุบำรุงวัดที่ได้ทรงสร้างขึ้นมา จึงต้องมาถวายผ้ากถินที่วัดพระอารามหลวงถ้าไม่ได้มาด้วยพระ อ, องค์เองก็จะมอบให้ผู้แทนมานำผ้ามาทอดแทนปีนี้กม็มีมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนาครินที่เฉาเชิงเซาเป็นผู้นำผ้ามาถวาย กรถินนี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันคือกรถินหลวงหรือกรถินราชทานแล้วก็กรถินราดหรือกรถินสามัคคีกรถินราดก็คือเป็นกรถินของประชาชนทั่วไปที่จะนำอาไปถวายวัดที่ไม่ใช่เป็นอารามหลวงแต่ก็เป็นกรถินเหมือนกัน อเป็นการถวายผ้าให้แก่ผ้าภิกษุที่อยู่จำพรรษาในวัดนั้นเนื่องจากว่าผ้าที่ได้ใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งปีก็มีการชำรุดมีการขาดจำเป็นจะต้องมีผ้าใหม่มาเปลี่ยนการเป็นมาของผ้ากฐถินนี้ เป็นมาตั้งแต่ในสมัยพระพุทธกาลสมัยยุคแรกๆที่พระพุทธเจ้าได้ส่งประกาศพระพุทธศาสนาพระภิกษุที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้จะต้องหาผ้าเองเนื่องจากไม่มีพิธีถวายผ้าให้กับนักบวชมีแต่ พิธีใส่บาทมีแต่ธรรมเนียมใส่บาทแต่เรื่องผ้านี้นักบวชต้องไปหาผ้ากันเอาเองซึ่งผ้าสมัยก่อนที่หาได้อย่างง่ายดายก็คือผ้าหอ่อศพผ้าที่ห่อศพอยู่ในป่าชา้าเรียกว่าผ้าบางสุกุลหรือสมัยนี้เราเรียกว่าผ้าป่านี่ คำว่าผ้าป่าก็มาจากคำว่าป่าชาสมัยก่อนไม่มีการเผาศพหรือฝังศพเวลาคนตายจะเอาผ้ามัดร่างกายมัดซากศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชาผ้าที่มาบวชถ้าต้องการผ้าก็จะไปชักผ้าบางสกุล คือไปเก็บผ้าในป่าชามาตัดเย็บมาซักมาย้อมเป็นผ้าจีวรไว้สำหรับนุ่งห่ต่อมามีการมาบวชกันมากเนื่องจากได้มีศรัทธาในกิตติศัพท์ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีผู้มีศรัทธาออกบวชกันเป็นจำ น, นวนมาก จนทำให้ผ้าในป่าชานี่ไม่พอใช้ผ้านี้มีผ้าเพียงผืนเดียวไว้หม่มสองผือนอีกผืนไว้นุ่งถ้าเกิดไปเปียกฝนก็ไม่มีผ้าเปลี่ยนจาต้องห่มผ้าที่เปียกมีผ้ากลุ่มหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะเดินทางไปไปพบกับฝนกลางทาง ผ้าก็เปียกปอนไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยการห่มผ้าที่เปียกปอนเข้าไปพระพุทธเจ้าทรงเห็นความลําบากของพระสงฆ์ในเรื่องของผ้าห่มจีวรจึงทรงตัดบอกให้ศรัทธาญาติโยมถวายผ้าให้แก่พระภิกษุ mm hmm. เรียกว่าผ้ากรถิน ให้ถวายแก่พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนครบพรรษาแล้วก็มีเวลาในการถวายผ้ากรถินคือระยะเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่วันออกพรรษาคือวันรมหนึ่งข่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองที่เป็นวันลอยกระทงนี่เป็นเวลาที่อนุญาตให้ญาติโยมถวายผ้ากฐถิ่นให้กับวัดต่างๆและให้ถวายวัดละหนึ่งครั้งวัดแต่ละวัดนี้จะรับผ้ากฐถินได้เพียงครั้งเดียวจ้ะ ให้ทาภายในหนึ่งเดือนเพราะว่าสมัยก่อนนั้นพระท่านมีภารกิจสำคัญคือการศึกษาและปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องการให้พระมากังวลเกี่ยวกับการเรื่องหาผ้าโดยไม่มีขอบไม่มีเกต เดยต้องบังคับให้มีการถวายผ้ารับผ้าได้เพียงในระยะเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นเพื่อจะได้มีเวลาไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมต่อไปการถวายผ้ากระถิ่นมีความเชื่อว่ามีบุญมากมากกว่าบุญอย่างอื่นอันนี้ ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนคาว่าบุญมากนี้หมายถึงอะไรบุญมากเพราะให้มากนั่นเองทำมากเพราะว่าเราถือว่าปีหนึ่งเราจะได้ถวายผ้ากัถินกันซับหนึ่งครั้งมีโอกาสได้ทำนุบารุงพระพุทธศาสนากันเราก็เลยนอกจากถวายผ้าแล้วเรายังถวาย เข้าของเงินทองต่างๆเพื่อมาทํานุบารุงวัดวาอารามซ่อมแซมห ร, หรือสร้างถาวรลวัตถุต่างๆจึงมีการร่วมใจกันมาเสียสละเข้าของเงินทองเพื่อทำบุญกันจึงเรียกว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญมาก าะมีการเสียสละมากนั่นเองเสียสละข้าวของเงินทองต่างๆถ้ายิ่งเสียมากก็จะได้บุญมากอันนี้ไม่ว่าจะเป็นบุญชนิดไหนก็เหมือนกันจะถวายกุฏิก็ได้ถวายโบสถ์ถวายเจดีย์ก็ได้ถวายอะไรก็ได้ถ้า เราอยากจะได้บุญมากเราก็ต้องให้มากถึงจะได้บุญมากเห็นไม่จําเป็นว่าจะต้องมารองานกระถินถึงจะได้บุญมากในการทําบุญทําบุญใส่บาตรทุกวันก็ได้บุญมากะถ้าเรารวบรวมข้าวที่เราใส่บาตรทุกวันทุกวันะทั้งปีนี้เราก็ใส่ต้องสามร้อยกว่า หกสิบกว่าครั้งด้วยกันเมื่อรวมกับจานวนเงินทองที่เราเสียไปก็เป็นจำนวนมากเหมือนกันฉะนั้นขอให้เราเข้าใจว่าการทาบุญนี้ผู้ให้ผู้ทาบุญนี้จะได้บุญมากบุญน้อยอยู่ที่การให้มากให้น้อยอถ้าให้มากก็จะได้บุญมาก ให้น้อยก็ได้บุญน้อยเช่นสมมติว่าเรามาร่วมทอดกับถินกันเราก็ให้เพียงเล็กน้อยใส่ซองเงินที่เราถวายกรถินหรือเงินที่เราเอาไปใส่บาทถ้าจำนวนเท่ากันมันก็ได้บุญเท่ากันอันนี้เพียงอยากจะพูดเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าบุญ การกระทำบุญนี้ผู้ผู้กระทำคือผู้ให้นี้จะได้ความสุขใจอิ่มใจเรียกว่าบุญและบุญนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะส่งให้ผู้ให้ผู้ทำบุญนี้หลังจากที่ตายไปแล้วจะได้ไปสู่สุขคติไปเกิดในภพที่ดี ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นต้นเกิดจากการที่เราได้ทบาบุญนั้นบุญนี้เป็นการให้นี้เรียกว่าทานนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้อะไรก็ตามเป็นบุญเหมือนกันมากน้อยก็อยู่ที่การให้ของเราว่าเราให้มากหรือให้น้อย สมมติเปรียบเทียบตัวอย่างถ้าเราทำบุญกระถิ่นหนึ่งพันบาทแต่เราทำบุญเปิดลงทานหนึ่งหมื่นบาทอันนี้การเปิดลงทานหนึ่งหมื่นบาทย่อมได้บุญมากกว่าการร่วมถวายกระถิ่นหนึ่งพันบาทเพราะการให้ของเราจำนวนไม่เท่ากันทำบุญหนึ่งพันบาท กับทำบุญหนึ่งหมื่นบาทบุญหนึ่งมื่นบาทย่อมมากกว่าบุญหนึ่งพบาทในคนคนเดียวกันในพูดถึงคนคนเดียวกันฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นการทําบุญชนิดไหนจะเป็นการใส่บาตรเป็นการเปิดโรงทานเป็นการใส่ซองกรินอันนี้มากหรือน้อยอยู่ที่ จำนวนการให้ของเราว่าถ้าเราให้มากเราก็จะได้บุญมากส่วนผู้รับนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผู้รับนี้จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราให้ในสมัยพระพุทธการสมัยที่ไม่มีการถวายผ้ากถิ่นนี้ พระลำบากมากเพราะว่าขาดแคลนเรื่องผ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงบอกว่าให้ถวายผ้าแล้วจะเกิดอันนิสง์มากคำว่าอันนิสง์นี้ไม่ใช่บุญอันนิสง์นี้แปลว่าประโยชน์อันนี้เป็นของผู้รับไม่ใช่เป็นของผู้ให้ให้ผ้าแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ผู้รับคือพ้าสงมากเพราะว่าตอนนี้พระสงฆ์ขาดแคลนผ้า การถวายผ้ากรถินจึงเป็นอนิสงค์มีอนิสงฆ์มากต่อผู้รับไม่ใช่ต่อผู้ให้ต้องทําความเข้าใจอนิสงค์นี้เป็นของผู้รับบุญนี้เป็นของผู้ให้นผู้ให้จะได้บุญคือความสุขใจอิ่มใจและได้อเป็นที่พึ่งทางใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว บุญนี้จะเป็นเหมือนทรัพย์ที่เอาติดตัวไปได้สําหรับผู้ให้แต่ผู้รับนี้ไม่ได้รับบุญญาโยมถวายข้าวของเงินทองถวายผ้าถวายกุฏิผู้รับได้แต่ข้าวของเงินทองได้แต่กุฏิได้แต่ผ้าที่จะได้เอามาใช้ประโยชน์เพราะพระสงฆ์ก็จําเป็นที่จะต้องมีปัจจัยสี่คือมีอาหาร มีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคดังนั้นเวลาที่ว่ามีอนิสงส์มากนี่หมายถึงมีประโยชน์มากสำหรับผู้รับเพราะว่าผู้รับขาดแขนผ้าผ้าไม่พอใช้ธรรมดานี้พระพุทธเจ้าจะไม่บอกให้ใครทำบุญถ้าไม่มีความจำเป็นไม่มีเหตุ แต่พอมีเหตุพระ อ, องค์ก็เลยต้องบอกแต่พระ อ, องค์ไม่เคยบอกให้สร้างวัดเพราะว่าพระสมัยก่อนท่านไม่เดือดร้อนกับการมีวัดหรือไม่มีวัดตาสมัยก่อนนี้ท่านอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเลือนล้างอยู่ตามถ้ำตามตามป่าชา้า พระสมัยก่อนท่านเป็นพระปฏิบัติท่านต้องการสถานที่สงบสงัดวิเวกต้องอยู่ห่างไกลจากเขตชุมชนไม่อยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองต้องออกไปอยู่ในที่ที่สงบสงัดเพราะเป็นที่เหมาะต่อการเจริญธรรมะเป็นที่เหมาะต่อการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดไม่เคยขอให้ใครสร้างวัดให้เพราะว่าท่านไม่เดือดร้อนกับสถานที่อยู่เพราะท่านเลือกอยู่ในสถานที่ที่สงบสงดัดอยู่กับธรรมชาติอยู่ตามมีตามเกิดได้จึงไม่ได้มีการบอกให้ศรัทธาญาติโยมสร้างวัดถวายให้แต่การสร้างวัดถวายให้นี้เกิดจาก ศรัทธาของญาติโยมเองที่เห็นว่าพระไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนคารวาดญาติโยมก็เลยอยากจะสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักเป็นแหล่งให้อยู่แต่ท่านไม่แต่ญาติโยมไม่ทราบความหมายของการอยู่ของพระว่าที่ท่านอยู่ในป่าในเขานี้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ ต่อการบําเพ็ญถ้าอยู่ตามวัดอยู่ตามที่ใกล้บ้านใกล้เรือนนี้จะไม่สงบเหมือนกับการไปอยู่ในป่าในเขาและท่านมักจะอยู่แบบไม่อยู่ติดที่อยู่แล้วก็มักจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเพราะเวลาอยู่ที่ใดที่หนึ่งไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะเกิดความเคยชิน แล้วก็อาจจะไม่มีอะไรมากระตุ้นให้มีความเพียรถ้าไปอยู่ที่ใหม่ที่แปลกนี่จะต้องมีการระมัดระวังมีการมีความมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นท่านจึงนิยมที่จะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆไปทุ ด, ดงเรียกว่าไปทุ ด, ดงไปหาที่สงบสงัด พอบางทีอยู่ไปแล้วเดี๋ยวศรัทธาญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องมากมากก็จะเสียเวลาจะไม่มีเวลาได้ไปปฏิบัติเพอะเห็นว่าเริ่มมีญาติโยมมาเกี่ยวข้องมากขึ้นท่านก็เปลี่ยนที่ย้ายที่ไปเพระท่านต้องการที่จ ะ, สะแสวงหาความสงบสแสวงการหลุดพ้น จากความทุกข์ที่มีอยู่ในใจที่เกิดจากการที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เองสิ่งต่างๆที่พวกเราเกี่ยวข้องกันเช่นราบยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงเกล็นรถต่างๆถึงแม้มันจะให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่จะพลิกกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ตลอดเวลา เวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปความทุกข์ของเรานี้เกิดจากการที่เราไปพึ่งสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะสิ่งต่างๆที่เราพึ่งให้ความสุขกับเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ไม่ไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่เป็นเหมือนเดิมไปตลอด มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีการเกิดแล้วก็มีการดับมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมอันนี้เป็นปัญหาของพวกเราทุกวันนี้ที่เราต้องวุ่นวายใจกันต้องเศร้าโศกเสียใจกันก็เพราะว่าสิ่งที่เราหามาให้ความสุขกับเรานั้น บางทีก็หายไปบางทีก็หมดไปบางทีก็เปลี่ยนไปพอมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการหมดไปมีการหายไปความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทำให้เราต้องหาใหม่แต่หามาได้มากน้อยเียงไรก็ตาม เดี๋ยวก็ต้องเจอปัญหาเดิมเดี๋ยวก็ต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปหรือไม่เช่นนั้นต่อไปร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือในการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราก็จะแก่ลงจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทําให้การหาความสุขนั้นยากลาบากขึ้น หาได้น้อยขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อท่านเราต้องตายไปเราก็จะไม่สามารถหาความสุขได้เลยยั น, นช่วงระยะเวลาที่เราแก่เราเจ็บและเราจะตายนี่เป็นช่วงที่ทุกทรมานใจอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเราไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอย่างที่เราเคยหาได้นั่นเอง นี่คือปัญหาของทุกๆคนที่มาเกิดในโลกนี้มาเกิดแล้วจะต้องมาทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับตนเพราะสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับตนนั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปนั่นเองหรือร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาความสุข ก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะหาความสุขอะไรได้คนที่ฉลาดจึงคิดหาทางออกว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ไม่ต้องมาหาสิ่งต่างๆที่จะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่จะต้องมีการพลาดพลาคจากกันก็เลยมีการค้นพบวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่ง คือการหาความสุขโดยที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆคือความสุขที่เกิดจากการมาควบคุมใจให้สงบนี่นี่คือความสุขของพวกนักบวชพวกนักบวชนี่เขาเห็นว่าความสุขของผู้ครองเรือน ความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญนี่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปเวลาที่แกเวลาที่เจ็บเวลาที่ตายจะไม่สามารถหาความสุขได้ไดก็เลยไปหาความสุขเอกวิธีหนึ่ง คือหาความสุขจากการทําใจให้สงบเพราะเวลาใจที่สงบนี้ใจจะให้ความสุขกับใจเองและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเป็นความสุขที่ใจสามารถรักษาไว้ได้เก็บไว้ได้มีได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายเวลาร่างกายแก่ก็สามารถมีความสุขได้เหมือนตอนที่ไม่แก่เวนะลาร่างกายเจ็บก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกับตอนที่ไม่เจ็บเวลาที่ร่างกายตายไปก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกับตอนที่ยังไม่ตายนี่คือ วิธีการหาความสุขของนักบวชนักบวชจึงต้องไปหาที่สงบที่ห่างไกลจากราบยศสรรเสริญห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาต่างๆเพราะเวลาที่อยู่ใกล้นี้ใจที่ยังเคยติดอยู่กับราบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผลถภ า, านี้จะเกิดความอยาก ที่ยังที่จะไปหาความสุขจากลาบยศสารเสรินสุขอยู่จึงต้องหนีไปอยู่ในที่ที่ไม่มีลาบยศสารเสรินสุขคือไปอยู่ในป่าในเขาที่ไม่มีลาบยศสารเสรินสุขให้เศษเมื่อไม่มีลาบยศสารเสรินสุขให้เศษก็ต้องสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นมา เพราะถ้าไม่สร้างความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะอยู่ไม่ได้คนที่ปฏิบัติธรรมไม่เป็นคนที่ทำจิตใจให้สงบไม่เป็นเวลาไปอยู่ในที่สงบนี้จะอยู่ไม่ได้จะอยู่จะรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวเศร้าซ้อยเพราะขาด สิ่งต่างๆที่เคยให้ความสุขกับตนนั่นเองแต่ผู้ที่สามารถควบคุมใจให้สงบได้ไม่ให้ไปคิดถึงความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ก็จะไม่เดือดร้อนกับการที่ไปอยู่ตามลำพังอยู่คนเดียวอันนี้คือวิธีการหาความสุขของ นักบวชทั้งหลายในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญสมัยนั้นก็มีการหาความสุขจากความสงบแต่เป็นในระดับชั่วคราวที่เรียกว่าสมาธินี่เป็นความสุขเป็นความสงบของจิตชั่วคราวเวลาที่นั่งสมาธิแล้วมีสติคอยกำกับใจคอยควบคุมความคิดให้หยุดคิด ให้หยุดอยากได้ใจก็จะสงบชั่วคราวแต่พอกาลังของสติหมดไปใจก็จะคิดขึ้นมาใหม่จะอยากขึ้นมาใหม่พอเกิดความคิดเกิดความอยากขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิรู้ว่า ถ้าจะให้ใจไม่ทุกข์อยากจะให้ใจมีความสุขก็ต้องเข้าสมาธิต้องนั่งเฉยๆดับตาแล้วก็ควบคุมใจไม่ให้คิดไม่ให้อยากด้วยการให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับคําบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆถ้าอยู่กับพุทธโธไปใจก็จะลืมเรื่องราวต่างๆ เรื่องราวเรื่องเรื่องของราบยศสรรเสริญเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์พอไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ความอยากกับเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่เกิดใจก็จะนิ่งจะสงบจะเย็นจะสบายมีความสุขขึ้นมานี่คือวิธีหาความสุขของนักบวชในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสั้นหาได้เพียงเป็นพั ก, พก เป็นช่วงช่วงช่วงที่เข้าสมาธิก็จะสงบจะมีความสุขแต่พอออกจากสมาธิมานี้ไม่สามารถควบคุมความคิดความอยากให้สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กลับใจได้เพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวปัญหาที่ทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจไม่สงบนะพระพุทธเจ้าก็ต้อง พยายามค้นคว้าหาวิธีตอนต้นก็ไปถามครูบาอาจารย์ต่างๆที่เก่งทางด้านสมาธิก็ไม่ไม่มีอาจารย์รูปไหนรู้วิธีที่จะควบคุมใจให้สงบเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาทีา่ต้องออกมาทํากินต่างๆของทางร่างกายจะออกมาบินทบาทออกม า, าดูแลร่างกายอาบน้าอาบท่า หรือมาทำความสะอาดสถานที่ใจก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความไม่พอใจขึ้นมาได้ไม่มีใครทราบว่าความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุอันใดพระพุทธเจ้าเลยต้องไปศึกษาไปค้นคว้าด้วยพระองค์เองว่า อะไรทำให้จิตใจนี้ทุกข์ทำให้จิตใจวุ่นวายใจ เ, เวลาจิตใจสงบไอ้ตัวที่ทาให้ทุกข์มันหายไปไหนไอ้ตัวที่ทำให้ทุกข์ไไกมันคืออะไรหลังจากที่ได้ทรงเปรียบเทียบพิจารณาดูก็สังเกตเห็นว่าเวลาที่ใจสงบนี้ความอยากได้สิ่งต่างๆมันก็หายไปอพอออกจากสมาธิมาความอยากได้สิ่งต่างๆก็โผล่ขึ้นมา พอโผขึ้นมาใจก็สั่นนะเพร อ, อยากได้อะไรนี้ก็อยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องไปหาสิ่งที่อยากได้แล้วถ้าได้มาก็ใจก็จะสงบชั่วคราวหายทุกข์ชั่วเราวเวลาได้สิ่งที่อยากได้ก็ดีอกดีใจมีความสุขแต่เดี๋ยวความสุขนั้นก็หมดไปแล้วก็จะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีก แล้วถ้าหาสิ่งที่อยากได้ไม่ได้ก็จะมีความไม่สบายใจพระพุทธเจ้าก็เลยทรงคนพบว่าเหตุที่ทำให้ใจนี้วุ่นวายไม่สงบเวลาที่ไม่เข้าในสมาธิก็คือความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองคืออยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายอยาก อยากได้ลาบก็คือเงินทองเพราะพอมีเงินทองนี้สามารถตอบสนองความอยากต่างๆได้อยากไปไหนมาไหนก็ไปได้อยากจะเสบรูปเสียงกินรสก็เสบได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้เงินทองเลยเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความอยากต่างๆ เวลาที่เกิดความอยากถ้าไม่ได้ตอบสนองใจจะหงุดหงิดใจจะลาคาใจจะไม่มีความสุขสังเกตดูว่าไหนที่เราไม่มีเงินออกไปเที่ยวอยู่บ้านนี่รู้สึกหงุดหงิดหรือต้องไปทํางานหาเงินไม่สุขเหมือนกับตอนที่ไปใช้เงินกันตอนที่เวลาไปเที่ยวมีเงินใช้เงินอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้อยากจะทําอะไรก็ทําได้ ตอนนั้นมีความสุขมากกว่าเวลาที่เราไปทำงานเวลาทำงานนี้ไม่สามารถทำอะไรตามความอยากได้แต่จาเป็นจะต้องทำเพราะรู้ว่าถ้าไม่ทำก็จะไม่มีไรายได้ไม่มีเงินทองพอไม่มีเงินทองต่อไปเวลาอยากจะได้อะไรก็ไม่สามารถทำได้ก็เลยต้องไปทำงานกันต้องไปทุกขกับการทำงานกัน ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อรากกับการทำงานกันต้องปวดหัวกับเรื่องงานเรื่องการต่างๆอันนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึง่งทุกที่เกิดจากการที่เราอยากจะได้ความสุขจากการมีเงินมีทองนั่นเองจากการใช้เงินใช้ทองแล้วถ้าเงินทองที่เราหามาได้ถ้าเราใช้มากกว่าที่เราหามาได้เราก็จะเดือดร้อนอีกเพราะว่าเงินทองไม่พอใช้ เวลาขาดเงินขาดทองก็รู้สึกไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้คือความทุกข์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาเห็นว่าเกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากการที่เราไม่ทําใจให้สงบถ้าเกิดเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราเกิดความอยากได้สิ่งต่างๆ แล้วเราเกิดความไม่สบายใจเราก็ควรจะจะกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปทําใจให้สงบใหม่หยุดความอยากใหม่ถ้าทําอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปความอยากมันจะหมดกำลังถ้าเราไม่ทําตามความอยากความอยากมันจะหมดไปเช่นคนที่จะเลิกสูบบุหรี่เวลาอยากจะสูบบุหรี่เขาก็ต้องไม่สูบ ถ้าสูบมันก็จะอยากไปเรื่อยๆสูบมวนนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะสูบอีกมวนหนึ่งถ้าไม่อยากจะสูบบุหรี่อยากจะเลิกก็ต้องเวลาอยากสูบบุหรี่ก็ต้องไม่สูบถ้าเราฝืนความอยากสูบบุหรี่ได้ต่อไปความอยากสูบบุหรี่มันจะหายไปแล้วมันจะเหมือนกับคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมคนที่ไม่สูบบุหรี่เขาไม่เดือดร้อน ก็เพราะว่าเขาไม่มีความอยากจะสูบบุหรี่นั่นเองเขาก็เลยไม่สูบบุหรี่กันแต่คนที่สูบบุหรี่นี่มีความอยากสูบบุหรี่พอสูบแล้วก็ติดต้องสูบอยู่เรื่อยๆถ้าอยากแล้วสูบความอยากก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆถ้าอยากแล้วสูบแล้วไม่สูบเดี๋ยวความอยากก็จะหมดไปทีเวลาที่อยากแล้วมันทรมานใจจะทํำยังไง เวลาอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากนี้มันทรมานใจก็ให้กลับไปนั่งสมาธิแทนทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรแล้วใจไม่สบายงดหกิดก็ไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบแล้วต่อไปจะไม่ต้องไปทำตามความอยากตีกต่อไปก็ะจะไม่มีอะไรมาทำให้ท่ใจไม่สบาย สิ่งที่ทำให้ใจเราไม่สบายใจเราไม่มีความสุขก็คือความอยากในสิ่งต่างๆนี้อ่อันนี้เป็นวิธีที่จะสามารถทำให้ไม่ต้องเข้าสมาธิต่อไปถ้าหลังจากที่เราฝืนความอยากทุกชนิดที่มีอยู่ในใจเราได้หมดอยากดูหนังก็เลิกดูอยากฟังเพลงก็เลิกฟังอยากกินขนมอยากดื่มเครื่องดื่มก็เลิกมัน เริทุกความอยากแล้วต่อไปจะไม่มีความอยากเหล่านี้มารบกวนใจจะอยู่เฉยๆได้อย่างไม่เดือดร้อนถ้าจะกินก็ไม่ได้กินด้วยความอยากกินด้วยความจําเป็นเอช่นร่างกายนี้ยังต้องให้อาหารอยู่ก็ให้ตามเวลาเท่านั้นะให้เหมือนกับการกินยาเวลาเรากินยานี่เราไม่ได้กินด้วยความอยาก เรากินเพราะถึงเวลาต้องกินถ้ากินแบบนั้นเราจะไม่ติดยาใช่ไหมกินเพราะเราต้องกินกินเพื่อรักษาร่างกายพอร่างกายหายแล้วเราก็เลิกกินยาได้ไม่ติดยาแต่ถ้าเรากินด้วยความอยากเนี่เราจะติดยาได้เช่นคนกินคนที่ติดยาแก้ปวดนี่กินด้วยความอยากพอเกิดอาการปวดขึ้นมาก็อยากกินยาเพื่อมาระงับความปวด พอกินแล้วมันก็ติดถ้ากินด้วยความอยากถึงแม้ว่าเราไม่ปวดก็รู้สึกปวดอาจจะปวดเล็กๆน้อยๆก็อยากจะกินขึ้นมานันีดังนั้นถ้าเราอยากที่จะให้ชีวิตของเรานี่มีความสงบสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเราต้องฝืนความอยากต่างๆที่เราที่เรามีอยู่ในใจของเรา คือความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี่อยาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายทุกครั้งอยากที่อยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายให้ไปเข้าสมาธิแทนเวลาเกิดความอยากก็เข้าไปสมาธิพอจากสมาธิมาถ้ายังไม่มีความอยากก็ไม่จําเป็นจะต้องเข้าพอมีความอยากจะดูนั่นฟังนี่อยากจะไปโน่นมานี่ โดยไม่มีเหตุจําเป็นที่จะต้องทำก็อย่าไปทำมันเข้าไปนั่งสมาธิแทนเพราะถ้าไม่เข้าสมาธิใจมันจะหงุดหงิดใจจะลำคาญใจจะไม่มีความสุขเพราะไม่สามารถทำตามความอยากได้ก็ให้ความสุขด้วยการเข้าสมาธิแทนทำนี้เพื่อหยุดความอยากเพื่อฝืนความอยาก แล้วต่อไปความอยากต่างๆจะหมดไปเมื่อความอยากต่างๆหมดไปแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรมาก่อกวนใจไม่มีอะไรที่จะทําให้รู้สึกหมุดหงิดรู้สึกลาคาญ ร, รู้สึกเหงารู้สึกว้าเหว่ยอยู่คนเดียวนี้จะไม่เหงาไม่ว้าเหวไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรทําจะไม่รู้สึกเอเศร้าซ้อยหงอยเห ง, งาแต่อย่างใดเพราะจิตที่ไม่มีความอยากนี้ จะเป็นจิตที่สงบจิตที่มีความสุขเหมือนกับจิตที่เข้าสมาธิแต่ไม่จำเป็นจะต้องเข้าสมาธิถ้าไม่มีความอยากมาก่อกวนใจถ้ายังมีความอยากก็ต้องหยุดด้วยการเข้าไปในสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบ <c oughs> แล้วต่อไปความอยากต่างๆจะหมดกำลังข้อสาคัญเราอย่าไปยอมแพ้มัน มันอยากได้อะไรอย่าไปให้มันถ้าไม่ให้มันแล้วต่อไปมันจะหมดแรงหมดกำลังถ้าให้มันมันก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะขยายความอยากมากขึ้นได้คือก็อยากได้สอกได ย, ยสอกก็อยากได้วาเห็นไหมนี่คือความอยากสมัยเด็กๆเราได้วันละไม่กี่บาทเราก็พอใจมีความสุขพอโตขึ้นมาหน่อยก็อยากได้มากขึ้น พอโตขึ้นมาหน่อยก็มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังอยากอยู่ยังอยากได้มากเพิ่มกว่าเดิมอยู่ตอนนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็อยากจะได้เงินเดือนมากกว่าเก่าเพราะเราส่งเสริมความอยากมันด้วยการหาสิ่งที่มันอยากได้ให้มันพอให้มันแล้วเคยได้เท่าไหร่มันก็ไม่พอแล้วมันต้องได้มากกว่าได้มากกว่าเดิมเออ่อนที่ทํางานเริ่มต้น เป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นนายสิบเป็นเป็นพลตำรวจก่อนพอเป็นพลตำรวจก็อยากจะเป็นนายสิบตอนต้นก็อยากเป็นตำรวจก่อนพอได้เป็นตำรวจนะทีนี้ได้เป็นพลตำรวจก็อยากจะเป็นสิบตำรวจพอได้นายสิบก็อยากจะได้เป็นนายร้อยอย่มันก็อยากเพิ่มขึ้นไปได้เลยความอยากนี้ท่านถึงบอกว่ามันไม่มีขอบเขต มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าบอกว่าน้ำมหาสมุทรมหาสมุทรนึกทะเลนี้ถึงแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามก็ยังมีฝั่งมีขอบนะแต่ความอยากนี้มันไม่มีฝั่งไม่มีขอบนะถ้าเราไม่หยุดมันมันจะขยายออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดมันมันจะหดเข้ามาเรื่อยๆ จนในที่สุดมันจะหายไปนีการที่จะฝืนความอยากได้นี้เราต้องมีจิตที่สงบเราต้องรู้จักทำจิตให้สงบได้เวลาที่เกิดความอยากพอเวลาเกิดความอยากใจจะสัน่นใจจะดิ้นจะทรมานเราต้องสามารถหยุดความสัน่นหยุดความดิ้นรนของใจให้ได้ด้วยการใช้สติด้วยการฝึกสมาธิ ดังนั้นก่อนที่เราจะมาสู้กับความอยากได้เราต้องมีสมาธิก่อนเราต้องรู้จักวิธีทําใจให้สงบด้วยสติก่อนอนันสิ่งแรกที่เราต้องบาเพ็ญกันก็คือจเจริญสติก่อนต้องมีสติเพราะสตินี้เป็นเหมือนเบรกลถยนตรถยนต์จะหยุดได้นี้ต้องอาศัยเบรกถ้าไม่มีเบรกนี้หยุดไม่ได้รถมันก็จะวิ่งไปเรื่อย จิตของเราจะหยุดจะนิ่งจะสงบได้ก็ต้องมีสติตอนนี้ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบไม่นิ่งก็แสดงว่าสติเราไม่มีหรือมีน้อยมีไม่พอที่จะหยุดเมื่อสติเรามีน้อยเราก็ต้องสร้างให้มันมีมากสตินี้เราสร้างขึ้นมาได้วิธีสร้างสติก็คือเราต้องสร้างตลอดเวลา ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถสร้างสติได้การสร้างสติก็คือให้เราเ ล, ลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะเล่นนึกรู้อยู่กับคำพุทธโธพุทธโธพอลืมตาขึ้นมาก็ให้เรานึกถึงพุทธโธพุทธโธไปแล้วก็ไปทำอะไรก็พุทธโธพุทธโธไปแทนที่จะคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราต้องมาหยุดความคิดเหล่านี้ให้ได้ให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธถึงแม้เราจะทำงานอะไรทำไปได้แต่อย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันคิดอยู่กับพุทโธพุทโธอันนี้เป็นการเป็นการฝึกสติเป็นการสร้างสติเพื่อที่จะมาหยุดความคิดต่างๆนั่นเองะนนพอเราเตื่นขึ้นมา พอเราจะเริ่มคิดถึงคนนั้นคนนี้เราก็ใช้พุทธโธหยุดมันแล้วเราก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของเราต้องเข้าห้องน้ำอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็ทำหน้าที่ของเราไปขณะที่ทำหน้าที่เหล่านี้เราก็พุทธโธกํากับใจไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยคิดเพอ้อเจอ้อเพอ้อฝันคิดไปอดีตมั่งคิดไปอนาคตบ้าง ยกเว้นว่าต้องคิดเรื่องที่จำเป็นจริงๆเช่นวันนี้ต้องไปทำงานต้องไปทำธุระอะไรบ้างอันนี้คิดได้แต่พอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็เตรียมตัวไปทำธุระไปทำอะไรช่วงที่เตรียมตัวนี้ก็อย่าปล่อยอย่าให้มันคิดให้มันอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วเราจะมีสติหยุดความคิดได้ พอเวลาเรานั่งสมาธินั่งหลับตาเราก็ให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปได้ถ้ามันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้จะนิ่งจะเย็นจะสบายจะมีความสุขเป็นความสุขที่ดีกว่าได้เงินทองกองเท่าภูเขาเป็นความสุขที่ดีกว่าได้ตาแหน่งต่างๆเพราะเป็นความสุขที่เย็นที่สบาย ไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญเป็นความสุขที่ร้อนเพราะเราจะต้อง <c oughs> คอยกังวลคอยวิตกคอยดูแลรักษาได้เงินทองมานี่เราจะต้อง ร, ระมัดระวังแล้วว่าจะเก็บเงินทองไว้อย่างไรดีจะรักษาเงินทองไว้อย่างใดดีจะป้องกันไม่ให้เงินทองของเราถูกคนอื่นมาเอาไป เดี๋ยวถ้าคนก็รู้ว่าเรามีเงินทองเดี๋ยวเขาก็ต้องมาขอเราละถ้าเราไม่อยากให้เขาเราจะทำอย่างไรเราจะพูดอย่างไรมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆให้เราต้องคิดต้องปวดหัวขึ้นมาทันทีพอมีสมบัติมีอะไรขึ้นมาแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีใครมาขอเราได้ไม่มีใครมาแบ่งไปได้ถ้าเขาอยากได้ก็บอกให้เขาทำเองเท่านั้นเอง ถ้าอยากได้ความสุขที่เกิดจากความสงบก็ไปหัดพุทธโธซะถ้าพุทธโธพุทธโธได้เดี๋ยวก็จะได้ความสุขอันนี้แหละเป็นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องมีสติให้ได้ต้องควบคุมใจให้หยุดคิดในถึงเรื่องราวต่างๆให้ได้ให้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้ให้รู้ว่าเรากาลังทาอะไร เช่นเรากำลังเดินก็ให้รู้ว่าเรากำลังเดินอย่าให้เดินไปแล้วก็คิดกับเรื่องอื่นไปให้อยู่กับการเดินให้รู้อยู่กับการเดินเพียงอย่างเดียวเช่นเดินจงกรมนี่ก็ให้เดินไปเดินมาแล้วก็ให้ใจคอยดูการเดินอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดก็ต้องหยุดมันด้วยการใช้พุทโธพุทโธไป ให้มันเหลือแต่ความรู้เฉยๆไม่ให้มันคิดเรื่องราวต่างๆถ้าเราควบคุมใจให้หยุดความคิดต่างๆได้เวลานั่งสมาธิเราก็จะได้ความสุขซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าจากการที่เราได้ข้าวของเงินทองได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้อยู่กับคนนั้นคนนี้ความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่แน่นอน เวลาที่ต้องพัดภาคจากกันก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้จะไม่มีวันพัดภาคจากเราถ้าพัดภาคเราก็สามารถดึงกลับมาได้เช่นเวลาออกจากสมาธิมาเดี๋ยวมันหายไปเราก็กลับเข้าสมาธิใหม่ได้หรือถ้าเรารู้ว่าเหตุที่ทําให้มันหายเกิดจากความอยากของเรา เราก็อย่าไปทำตามความอยากเสียโดยการใช้เหตุผลว่าการทำตามความอยากจะทำให้ไม่พอจะทำให้อยากไปเรื่อยๆเหมือนคนติดบุหรี่ติดสุราติดเที่ยวติดอะไรทั้งหลายนี้พอติดแล้วจะต้องไปทำอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าทำถ้าไม่ถ้าทาไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาวิธีที่ดีที่สุดก็คือ ถ้าอยากจะมีความสุขก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่กลับเข้าไปนั่งสมาธิอย่าไปทําตามความอยากถ้าไม่จําเป็นจะต้องทำถ้าจําเป็นก็ทําได้เช่นถ้าร่างกายหิวน้ำก็ดื่มน้ำได้แต่อย่าดื่มเครื่องดื่มที่มีกลิ่นมีสีมีรสเพราะอันนี้มันเป็นความอยากร่างกายไม่ได้ต้องการเครื่องดื่มที่มีสีมีกลิ่นมีรสร่างกายต้องการเพียงน้ำเท่านั้นเอง น้ำเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของร่างกายถ้าเราดื่มด้วยความจาเป็นนี้จะไม่ติดแต่ถ้าเราดื่มด้วยความชอบความอยากมันจะติดแช่ไหนร่างกายจะหิวน้ําเลยก็ต้องดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบเพื่อเราจะได้เสพกับลูกเสียงกลิ่นรสของเครื่องดื่มถ้าทําอย่างนี้มันก็จะทําให้เราติดเราจะอยากมากขึ้นไปเรื่อยๆพอได้ดื่มแก้วหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็อยากจะดื่มอีกแก้ว ทั้งทั้งดีบางทีร่างกายไม่ต้องไม่ต้องการจะดื่มแต่ใจมันติดเสรละมันก็อยากจะดื่มขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ดื่มมันก็จะหงดหอิดนจะลาคาญใจจะไม่สบายใจนะนี่คือเรื่องของของการหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งคือไม่พึ่งร่างกายไม่พึ่งตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่เพิ่งลาบยศสรรเสริญไม่เพิ่งรูปเสียงกลิ่นลดผลเพาะการนั่งสมาธินี้ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องหาเงินไม่ต้องหาเงินมาเหมือนกับการใช้เงินทองการจะมีความสุขจากเงินทองนี้ต้องหาเงินทองกันหาแล้วก็ต้องใช้พอใช้หมดก็ต้องหาใหม่แล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคไม่สามารถหาได้ก็จะเดือดร้อนเช่นเวลาเกิดตกงานขึ้นมา รายได้ที่เคยได้ก็หายไปหมดทีนี้จะทุกข์มากจะวุ่นวายใจแล้วเราจะอยู่อย่างไรจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าไม่มีเงินทองแต่คนที่นั่งสมาธิเป็นจะไม่เดือดร้อนจะไม่ต้องใช้เงินทองอยากจะมีความสุขเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิเมื่อ น, นั้นห้านาทีสิบนาทีก็เกิดความสุขเกิดความสบายใจขึ้นมาทันทีนะนี่แหละคือวิธีที่จะ ทำให้เรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องหลุดพ้นด้วยการมาปฏิบัติธรรมมาทําจิตใจให้สงบด้วยสติด้วยสมาธิและด้วยปัญญาปัญญาก็คือความจริงที่รู้ว่าความอยากต่างๆนี้เป็นต้นปัญหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆการจะกําจัดความอยากต้อง กำจัดด้วยการไม่ทําตามความอยากทุกครั้งที่เกิดความอยากแล้วเกิดความหงุดหงิดลาคาญใจก็ให้ไปนั่งสมาธิแทนอยากไปทําตามความอยากอยากไปเที่ยวก็อย่าไปอยากไปเที่ยวเวลาไม่ได้เที่ยวแล้วหงุดหงิดก็ไปนั่งสมาธิไปอยู่วัดแทนแทนที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่สามวันเช่นวันหยุดสามวันสี่วันก็ไปอยู่วัดแทนไปอยู่วัดไปทําใจให้สงบ เดวต่อไปความอยากเที่ยวมันจะหายไปต่อไปไม่ต้องไปเที่ยวอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่เดือดร้อนอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขได้ตอนต้นต้องไปหาที่ฝึกทําสมาธิให้เป็นก่อนต้องไปหาที่เงียบที่สงบที่มีคนทําสมาธิมีคนสอนแต่พอเราทําเองเป็นแล้วทีนี้เราทําที่บ้านก็ได้เวลาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเมื่อไหร่ ขอให้เรารู้ว่ามันเกิดจากความอยากของเราอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากเราก็ไม่สบายใจวิธีที่แก้ความไม่สบายใจก็คืออย่าไปยุ่งกับเขาไปนั่งสมาธิแทนเขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาในเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้แล้วเราจะไปทำอะไรได้เมื่อทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากของเรา วิธีจะหยุดความอยากของเราเราก็เข้าไปนั่งสมาธินั่งสมาธิสักพักก็ลืมเรื่องของเขาลล้วใจก็สงบสบายเย็นเขาจะเป็นอะไรก็เราก็ไม่เป็นปัญหาให้ต่อไปเพราะเราเห็นความจริงแล้วว่าความวุ่นวายใจของเราไม่ได้เกิดจากเขาเกิดจากเราเองเกิดจากเราที่อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากเราก็เลยวุ่นวายใจเสียใจขึ้นมาแต่พอเราไปนั่งสมาธิปับความวุ่นวายใจเสียใจของเราหายไปเราก็รู้ว่าอ๋อมันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ความอยากของเราเองเพราะเวลาที่เรานั่งสมาธิความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันหายไปหมดตามทั้งที่เขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เหมือนเดิม เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาเรามาเปลี่ยนเราเปลี่ยนความอยากของเราท่านหนึ่งเปลี่ยนใจของเราจากการที่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ด้วยการฝึก <Compl> ด <il et> ้วยการทาใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแป๊บเดียวเดี๋ยวความอยากต่างๆหายไปหมดความวุ่นวายใจความเสียใจหายไปหมดเนี่ย เขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เดือดร้อนก็ปล่อยเขาเป็นไป น, นี่คือเรื่องของการหาความสุขในรูปแบบใหม่ความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์เหมือนกับที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้พวกเรานี่มีแต่ความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าโดยที่เราไม่รู้สึกตัวกันเวลาที่เราจะต้องสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดไป แล้วก็จะต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการพัดภาคจากราบยศสรรเสริญพัดภาคจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัพพาไปพัดภาคจากคนที่เรารักพัดภาคจากสิ่งที่เรารักพัดภาคจากร่างกายของเราไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจ์มันไม่ถาวรมันมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมถ้าเรามาหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ เวลามันเสื่อมเราก็จะต้องเสียใจกันร้องหม่มร้องไห้กันเวลาที่มีการพัดพากจากกันแต่ถ้าเรามาหาความสุขจากความสงบของใจนี้จะไม่มีวันเสื่อมจะไม่มีวันจากเราไปเพราะมันเป็นของที่อยู่ในใจของเราและใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายใจของเรานี้ไม่เป็นเหมือนร่างกายร่างกายของเรามีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตาย แต่ใจเราไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายใจของเรามีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นมาตลอดเพียงแต่ว่าเราไม่มาหาความสุขในใจของเราเท่านั้นเองเพราะเราโงา่เราไม่ฉลาดเราไม่รู้ว่าใจของเรานี่แหละคือแหล่งของความสุขที่มั่นคงที่ถาวรเรากลับไปหลงเห็นความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเรา เราเป็นหลงกับการมีร่างกายหลงกับการใช้ร่างกายหารอบดสลสนเสริญหาความสุขทางตาหูจมกูกนิ้วกายกันเพราะเราคิดไม่รอบครอบคิดไม่เป็นเราไม่มองให้มันครบทุกสัต์ทุกส่วนเรามองเพียงครึ่งเดียวมองตอนที่เราได้กันเวลาเราได้อะไรมานี่เราดีใจกันเรามีความสุขกันแต่เราลืมว่าไม่ว่าเราจะได้อะไรมา ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเสียมันไปอันนี้แหละตอนนี้ตอนตอนที่เสียนี่เรามองไม่เห็นกันเราไม่รอบครอบมองเพียงครึ่งเดียวเราเลยหลงติดกับการหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้กันเพราะคิดว่าได้มาแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเสื่อมไปหมดไป หรือเปลี่ยนไปพอมันเสื่อมไปหมดไปมันก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจแล้วต่อไปร่างกายของเราก็จะหมดสมรรถภาพจะไม่สามารถทำตอบสนองความอยากต่างๆของเราได้สังเกตดูเลยคนแก่คนเจ็บนี่เขายิ้มย้ำแจ่มใสไหมไม่ค่อยยิ้มย้ำแจ่มใสกันมีแต่อารมณ์ซสืมเศร้ากันเพราะไม่สามารถทาอะไรเหมือนกับตอนที่ร่างกายแข็งแรงได้นั่นเอง แต่คนที่ไม่ซึมเศรา้าคนแก่ที่ไม่ซึมเศรา้านี้ก็เป็นคนที่มีรู้จักวิธีทําใจให้สงบนะคนที่ทําใจให้สงบเป็นนี้เขาจะไม่ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บของร่างกายเพราะเขาสามารถหาความสุขได้เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บเพราะฉะนั้นพวกเรานี้เรากําลังจะมุ่งไปสู่ข้อสอบหรือปัญหา คือเราจะต้องเจอการพัดภาคจากกันในเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ช้าก็เร็วไม่พัดภาคจากกันตอนที่เป็นก็จะต้องมีการพัดภาคจากกันตอนที่ตายหรือตอนที่แก่ตอนที่เจ็บถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปเจอความทุกข์แบบนั้นขอให้เราเรีบมาหามาหัดหาความสุขแบบใหม่กันดีกว่าหาความสุขที่มีอยู่ในใจของเรา ที่จะไม่จากเราไปที่จะเป็นของเราไปตลอดที่จะให้ความสุขกับเราโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลาบยศสเนเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีร่างกายถ้าเกิดร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปถ้าเราไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้การมีร่างกายก็ไม่มีประโยชน์อะไร การที่เราต้องมีร่างกายกันเพราะเรายังมีความอยากหาความสุขจากาลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่นั่นเองแต่พอเรามาปฏิบัติทำมาทาจิตให้สงบได้มาใช้ปัญญาสอนใจให้เลิกทําตามความอยากได้พอความอยากหมดไปจากใจแล้วทีนี้จะไม่มีอะไรที่จะทําให้เราต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะต้องไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย ไม่ต้องมาพัดพากจากการเหมือนที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นี่แหละคือวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรวิธีที่กำจัดความทุกข์ต่างๆได้อย่างหมดสิ้นไปอย่างถาวรต้องกำจัดด้วยการมาปฏิบัติธรรมมาสร้างสติเพื่อทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วก็มาสร้างปัญญาให้คอยให้เห็นว่าความอยาก การทําตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาไม่ได้เป็นการดับความทุกข์จะเป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากมันจะไม่หมดด้วยการทําตามความอยากวิธีที่จะทําให้ความอยากหมดไปก็คือต้องไม่ทําตามความอยากด้วยการไปทําใจให้สงบแทนทุกครั้งที่อยากได้อะไรก็ไปทําใจให้สงบแล้วต่อไปความอยากได้สิ่งต่างๆก็จะหมดไป แล้วใจเราก็จะไม่ต้องทุกกับอะไรต่อไปจะอยู่ยังมีความสุขไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายที่ตายไปแล้วนี้ตอนนี้ท่านก็ยังมีความสุขอยู่ใจของท่านก็เป็นเหมือนตอนที่ท่านมีร่างกายตอนที่ท่านปฏิบัติจนบรรลุแล้วตอนนั้นท่านก็มีความสุขพอร่างกายท่านตายไปท่านก็ยังมีความสุขอยู่เพราะท่านไม่ได้ อ, อาศัยความสุข จากทางร่างกายนั้นเองท่านได้ความสุขจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าพวกเราอยากจะมีความสุขแบบนั้นก็ขอให้พวกเรามาศึกษาวิธีปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันด้วยการหมั่นฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้สอบถามแล้วนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้แล้วรับรองได้ว่าเราจะได้พบความสุข แบบที่พระุทธเจ้าได้พบกันเราจะไม่ต้องมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร <c oughs> ยะถาวาริวาาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกปติ อิทิตังปะทิตังตุลังคิปะเมวะสมิจโตสาเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาอระโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพพีติโยวิวัจจันโตสัพพโรโขวินัสตุ มาเตผวะตวันตราโยสุขีทีคาโยโกผวะอภิวาธนาสีฤทสานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวทาติอายุวันโอสุขังภลั ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะขึ้นมาถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ Facebook สามร้อยสี่คนครับ YouTube ร้อยี่สี่คนครับวิ e w o อ l i n e สิบเก้าคนครับผู้รับฟังบนเขา 149ร้อยสบเก้าคนครับรวมทั้งหมดห้าร้อยเก้าสหกคนครับอันนี้ต่ำกว่าหกร้อยไปซีะ่ะอนีเรียนถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยมีคำถามจาก inbox นะคะกราบนามัสการเรียนถามพระอาจารย์สุชาติครับว่าพระพิสุทธ ท่านบวชใหม่ในพระธรรมวินัยยังอ่อนในวินัยเดินไปตามทางเดินปรากฏเห็นปัจจัยหนึ่งพันบาทหล่นอยู่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่จึงหยิบขึ้นมาดูเมื่อเห็นว่าใช่หนึ่งพันบาทจริงๆจึงวางปัจจัยนั้นลงที่เดิมกรณีพิสุกรูปนี้ประราชิกหรือไม่ครับเพราะปัจจัยนั้นได้เคลื่อนออกจากฐานโดยการหยิบขึ้นมาแล้วครับอ๋อไม่หรอ ม, มันเป็นของทีม่มันตกอยู่แล้วก็หยิบขึ้นมาดูเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นอะไรเราก็วางไว้เท่านี้ถ้าเรายังไม่ได้เอาไปก็ไม่ถือว่าเป็นปาลชิกแต่อย่างไดคำถามจากเฟ e บุ๊ k จากคุณจิตกรเวลานั่งสมาธินา น, านสองถึงสามชั่วโมงเวทนาทุกไม่ดับจะมีวิธีแก้อย่างไรครับ อวทนาเราไปบังคับมันไม่ได้มันจะดับหรือไม่ดับนี้ไม่เป็นประเด็นสาคัญประเด็นสาคัญคือใจของเราอยู่กับมันได้หรือเปล่าถ้าเรามีสติสามารถทำใจให้นิ่งเฉยได้เราก็จะอยู่กับเวทนาได้เราไม่ได้นั่งเพื่อให้เวทนาดับเรานั่งเพื่อทำให้ใจเราเฉยกับเวทนาให้ใจเราสงบ เ น, นเวลาเกิดเวทนาก็อย่าไปสนใจเวทนาให้เรามาเจริญสติพุทโธพุทโธเมื่มาเพ่งดูลมหายใจไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับเวทนาปล่อยมันเป็นไปมันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับมันไม่ดับก็เรื่องของมันนะมันเป็นเรื่องที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้ก็คือความอยากของเราความอยากให้ เ ว, เวทนาดับอันนี้มันจะทำให้ใจเราทุกข์มากเพราะเป็นสมุทัยตัณหาต้นเหตุของความทุกข์ใจเรานั่งนี่เราต้องการที่จะหยุดความความอยากเพื่อหยุดความทุกข์ใจสิ่งที่จะหยุดความอยากหยุดความทุกข์ใจได้ก็คือสติหรือปัญญาถ้ามีปัญญาเราก็ใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าเวทนากับใจนี่เป็นคนละส่วนกัน ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูเวทนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากร่างกายมากับร่างกายมันเกิดขึ้นที่ร่างกายใจไม่ได้ไม่ได้โดนเวทนาแต่อย่างใดใจเพียงแต่ผู้รับรู้ที่ใจทุกข์ก็เพราะว่าใจไม่ชอบเวทนาไม่ชอบทุกขเวทนาอยากให้ทุกขเวทนาหายไป ยังก็พยายามสอนใจว่าอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปรังเกีจมันหัดชอบมันบ้างของที่เราชอบเราอยู่กับมันได้ของที่เราไม่ชอบเราจะอยู่กับมันไม่ได้สังเกตดูของของคนเดียวกันเนี่ยตอนต้นก็ชอบก็อยู่กับมันได้พอไม่ชอบขึ้นมาทีนี้อยู่กับมันไม่ได้แล้วคนเนี่ยคนคนเดียวกันเนี่ยทําไมเวลาชอบอยู่กันได้พอไม่ชอบนี้อยู่กันไม่ได้ใช่ไหม มันอยู่ที่ใจเราไปชอบหรือไม่ชอบทนั้นเองงั้นเมื่อเรายังต้องอยู่กับมันอยู่ก็หัดชอบมันเสียก็หมดเรื่องหัดชอบความเจ็บหัดเป็นสาดิษบ้างแต่อย่าไปสาดิษทางร่างกายสาดิษทางใจคือชอบมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปแบบที่จะต้องเอามีดมากรีดร่างกายให้เลือดไหลซิบๆอย่างนี้ไม่ต้องทาถึงขนาดนั้นเอนแต่ว่าเวลานั่งแล้วมันเจ็บก็ ปล่อยมันเจ็บไปหัดชอบมันถ้าชอบมันรักมันแล้วจะไม่อยากให้มันไปเมื่อไม่มีความอยากให้มันไปมันก็จะอยู่กับมันได้อยู่อย่างมีความสุขเพราะได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบคำถามต่อไปจากคุณก้องพนันกราพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธินึกพุทโธพุทโธจิตใจฟงสั้นครับดึงมาก็ไม่มาครับ ทำอย่างไรครับก็ไม่พุโทโธรไปเรื่อยๆนี่ถ้าพุโทโธรไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายเหมือนกินยาไม่ใช่กินเม็ดเดียวแล้วมันจะหายปุ๊บปั๊บใช่ไหมก็ต้องกินมันไปเรื่อยหมอให้ยามาหอหนึ่งยี่สิบเม็ดก็กินมันไปเรื่อยๆไม่ใช่กินเม็ดแรกแล้วมันจะหายมันมันต้องใช้เวลาพุโทโธรคำสองคำมันไม่หายหรอกความฟุ้งซ่านมันต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนานๆสิบนาทียี่สิบนาทีอย่างเงี้ย แล้วรับรองได้ว่ามันจะเบาลงคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณแม่หนูมีร้านโชห่วยขายสินค้ารวมถึงสุราเบียรและลูกไฮโลหนูเคยบอกให้คุณแม่เลิกขายสิ่งเหล่านี้พยายามให้ฟังธรรมและไปปฏิบัติธรรมแต่ล่าสุดท่านเพิ่งซื้อลูกไฮโลมาขายเพิ่ม ทำให้หนูได้ต่อว่าท่านอย่างแรงขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่าข้อหนึ่งคุณแม่จะบาปอย่างไรจากการขายสิ่งเหล่านี้อ๋อการทำอาชีพเหล่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นการส่งเสริมให้คนอื่นเขาทำบาปแล้วคนอื่นที่ทำบาปก็อาจจะมาทำร้ายเราได้ เนเขาไปเล่นการมานานแล้วเขาเสียไม่มีเงินเรื่องเขาอาจจะมาค ข, ขโมยเงินที่บ้านเราก็ได้อันนี้เป็นผลต่อเนื่องจากการที่เราทำอาชีพที่ส่งเสริมให้คนทำบาปฉะนั้นเราอย่าทาอาชีพเหล่านี้จะดีกว่าส่งเสริมให้คนทำบุญดีกว่าขายสังกัดพันดีกว่าสายเครื่องสังกัทานนี้คนทำบุญน่รารับรองได้ว่าจะไม่มาขโมยเงินเรา ไม่มาทุบร้านเราอะไรทำร้ายเราแต่ถ้าไปส่งเสริมให้คนทำบาปแล้วเดี๋ยวเกิดเวลาเขาเดือดร้อนขึ้นมาเขาก็จะมาทำบาปกับเราได้คำถามข้อที่สองหนูจะบาปอย่างไรกับการไปต่อว่าท่านเนื่องจากหนูไม่อยากให้ท่านมีกรรมปอลลท่านรับปากว่าจะไม่ซื้อมาเพิ่มแล้วขอบพระคุณเจ้าค่ะก็อย่าไปว่าท่าน ถ้าพู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่นี่เราเป็นเด็กเราเป็นลูกท่านสูงกว่าเราเราควรที่จะยกย่องท่านถ้าจะพูดอะไรก็พูดด้วยเหตุด้วยผลได้แต่อย่าพูดด้วยอารมณ์หรือพูดด้วยวาจาก้าวเล้าอะไรอย่างนี้ไม่เหมาะสมคุยกันได้บอกว่าแม่ทําอย่างนี้ไม่ไม่ดีนะแม่ก็ต้องดูด้วยว่าเขายินดีจะฟังเราหรือไม่ถ้าพูดแล้วเขาโกรธเราเราก็อย่าพูดน าบางทีผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่พอใจที่เด็กมาสอนผู้ใหญ่ฉะนั้นการจะพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีความระมัดระวังว่าดูว่าเขายินดีที่จะฟังเราหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีเราก็ไม่ควรที่จะไปพูดก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมไปคําถามต่อไปจากคุณวริศามีความอยากที่จะนั่งสมาธิอยู่ตลอดเวลา จะจับเวลานั่งครั้งละหนึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะพอเสร็จจากการนั่งสมาธิถ้ายังมีเวลาว่างอยู่ก็อยากจะนั่งอีกเพราะอยากได้ความสงบเจ้าค่ะควรวางจิตอย่างไรเจ้าคะก็นั่งเรื่อยๆมีเวลานั่งก็นั่งถ้าไม่มีเวลาก็อย่าไปอยากเพราะถ้าอยากนั่งแล้วไม่ได้นั่งก็อาจจะเกิดอารมณ์เสียได้หงุดหงิดได้ เห็นถ้ามีเวลานั่งก็นั่งไปถ้าไม่มีเวลาก็อย่าไปอยากนั่งให้อยากนั่งตอนที่เวล ม, มีเวลาจะได้สมใจอยากอยากแบบนี้ไม่เสียหายอยากที่จะทําใจให้สงบนี้เป็นความอยากที่ดีไม่มีโทษตามมาเพียแต่ต้องรู้จักกาลเทศะหรือว่าเป็นเวลาที่เรานั่งได้หรือไม่ถ้าเป็นเวลาที่เรานั่งไม่ได้ก็อย่าเพึ่งไปอยาก ก็อยากแล้วก็อาจจะทําให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ yeah. คําถามต่อไปจากคุณอุ๋ยรักยิ้มกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะตั้งแต่ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ลูกอยากฟังทำตลอดเวลาเพราะฟังแล้วได้ความรู้ทางธรรมที่ลูกไม่เคยรู้ฟังแล้วรู้สึกสุขใจจึงอยากฟังฟังแล้วก็อยากจะปฏิบัติตาม ถ้าว่างเป็นต้องฟังอย่างนี้จัดเป็นกิเลสใหมคะไม่หรอกนี่คืออานิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมประโยชน์ที่เราได้รับจากการฟังธรรมจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำบ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับจะกาจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้จะทาให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็จะทําให้เราอยากปฏิบัติธรรมต่อไปแล้วก็จะทําให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจเวลาที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมยั้นการฟังธรรมนี้ไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าฟังแล้วต้องเอาไปปฏิบัติต่อถึงจะได้ประโยชน์มากกว่าที่ได้จากการฟังธรรมถ้าประโยชน์ที่ได้จากการฟังธรรมเป็นเงินหนึ่งร้อยบาท ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี้เป็นล้านบาทเนี่ยง้นอย่าเพิ่งพอใจอยู่กับประโยชน์ที่ได้จากการฟังธรรมฟังแล้วก็ต้องพยายามหาเวลาไปปฏิบัติให้ได้แล้วจะได้ประโยชน์มากกว่าที่ได้จากการฟังธรรมคำถามต่อไปจากคุณยิ่งพนัน <c oughs> อยากพบความสุขจากสมาธิ แบบที่พระอาจารย์พูดถึงครับแต่นั่งแล้วไม่เคยสงบเลยพระอาจารย์เมตตาช่วยชี Ju ้แนะวิธ yeah. ีนั่งสมาธิให้ได้พบความสุขสงบครับก็ต้องพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆฝึกให้มากๆควบคุมใจอย่าให้ไปคิดเรื่อยเปื่อยพอรู้ว่ากำลังคิดเลื่อยเปื่อยก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพยายามบังคับตัวเองให้มีพุทโธ เราตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละวันนะตั้งแต่ตอนนี้ไปพอลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือพุทโธแล้วดูสิว่าเราจะพาพุทโธไปถึงถึงไหนถึงถึงห้องน้ําหรือไม่ถึงไปแปลงฟันล้างหน้าหรือไม่พอไปแปรงฟันล้างหน้าพุทโธหายไปแล้วหรือเปล่าต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยพุทโธอยู่ไหนนะอันนี้ต้องถือเป็นเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติ เราต้องถามตัวเราเองอยู่เรือยๆตอนนี้พุทโธทอยู่ที่ไหนอยู่กับเราหรือเปล่าถ้าไม่อยู่รีบดึงกลับมาทันทีพุทโธหายก็ต้องดึงกลับมาเหมือนกับเรามีแหวนเพชรเนี่ยเราต้องคอยถามอยู่เรื่ยแหวนเพชรตอนนี้อยู่กับเราหรือเปล่ า, า, ลาพุทโธ น, น, น, น, น, น, นี่มันยิ่งกว่าแหวนเพชรสิมันมีคุณค่าราคามีประโยชน์มากกว่าแหวนเพชรสิงั้นพยายามคิดถึงพุทโธเหมือนเราคิดถึงแหวนเพชราคิดถึงมือถือก็ได้ทต่วันนี้ลืมมือถือไหม ไปไห น, นี่มือถือนี่อยู่ติดตัวอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลานะพยายามเอาพุทธโธให้เป็นเหมือนมือถือพยายามถามตัวเราเองอยู่เรื่ยพุทธโธหายไปหรื อ, อยังยังอยู่กับเราอยู่หรือเปล่าเรายัางพุทธโธอยู่หรือเปล่าท้ายทำอย่างนี้แล้ต่อไปเราก็จะได้พุทธโธเรื่อยๆพุทธโธไม่มีไม่มีการเสียหายมีแต่ประโยชน์พุทธโธแล้วถึงแม้ไม่ได้นั่งมันก็ทําให้ใจเราเบ า, ใจ เ, า, เบาใจเราเย็นสบาย ถึงแม้จะไม่นิ่งสงบแต่ก็เย็นเบาสบายฉะนั้นพยายามหัดพุทโธไปเรื่อยๆเถอะนะแล้วเดี๋ยวต่อไปนั่งสมาธิก็จะได้ผลเองคําถามต่อไปจากคุณบีน่าพัชรีสอบถามหลวงพ่อคะ่ะทําบุญหนึ่งพันบาทออกโรงทานกับทําบุญหนึ่งพันบาทให้โรงพยาบาลโรงพยาบาล น, น่าจะมีอานิสงส์มากกว่าโรงทาน อย่างนี้บุญของผู้ให้จะได้เท่ากันไหมคะผู้ให้ได้เท่ากันแต่ผู้รับนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้รับไปทำประโยชน์ได้มากน้อยต่างกันถ้าให้เงินขอให้อาหารขอทานเปิดโรงทานขอทานกินก็เพียงแต่เเล<ๆ>เลี้ยงให้ขอทานอยู่ไปวันๆหนึ่งแต่ถ้าทำกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็อาจจะเอายามารักษาโรคเวลาคนขอทานไม่สบายเพราะนอกจากกินข้าวแล้วมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยด้วย คนขอาอคนขอทานก็ต้องไปเพื่งโรงพยาบาลมันก็เป็นประโยชน์ต่างกันนะนี่แต่มันก็จำเป็นด้วยกันอาหารก็จำเป็นต่อร่างกายยารักษาโรค ก, ก็จำเป็นต่อร่างกายร่างกายมันต้องมีทั้งสี่อย่างมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีอาหารเง้นประโยชน์เหล่านี้ก็จะถือว่าคล้ายคลึงกันก็ได้ เพราะมันช่วยเลี้ยงดูให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขแต่บุญที่คนให้คนบุญที่คนให้จะได้รับนี้เหมือนกันถ้าถ้าจำนวนเงินเท่ากันถ้าเปิดโรงทาบหนึ่งพันบาทถ้าเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลหนึ่งพันบาทความสุขใจอิ่มใจก็เท่ากันถ้าอยากจะให้อิ่มใจสุขใจมากกว่า น, นี้ก็ต้องทำสองพันบาทด้วย เราจะรู้สึกว่าเออมันนมันต้องเสียสละมากขึ้นต้องทำใจให้มากขึ้นพอเราเสียสละได้ใจเราก็จะสุขมากขึ้นอิ่มมากขึ้นคำถามจากยูทู e จากคุณสุขใจถ้านั่งสมาธิแล้วคอเอียงโดยไม่รู้ตัวจะแก้อย่างไรคะเออไม่ต้องกังวลอ่ะเวลาเรานั่งนี้เราอย่าไปสนใจกับร่างกายตอนต้นเราก็ตั้งให้มันดีกันแล้วกันนั่งให้มันตรง แล้วก็พอเราเริ่มภาวนาแล้วเริ่มพุทโธเริ่มดูลมแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจจะรู้สึกว่าเอียงไปทางซ้ายทางขวาก็ไม่ต้องไปปรับไปแก้มันเพราะถ้าไปทําแล้วเดี๋ยวไม่ได้ภาวนามาโมแต่ปรับร่างกายเราไม่ได้นั่งเพื่อปรับร่างกายเรานั่งเพื่อปรับจิตให้สงบจิตจะสงบนี้เราต้องเพ่งอยู่กับพุโทโธเพ่งอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวอย่าให้อะไรมามาดึงใจเราไปทําอย่างอื่นน ร่างกายจะรู้สึกว่าเอ็นไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหลังก็ไม่ต้องไปปรับมันให้มันล้มลงไปก่อนแล้วค่อยค่อยมาปรับมันถ้ามันเอ็นนิดเอ็นหน่อยก็เรื่องของมันเพราะเวลาเราภาวนาบางทีเราก็ไม่มีเมื่อเราก็ไม่สนใจกับอิเลยาบทของร่างกายตราบใดถ้ามันไม่มารบกวนการภาวนาก็อย่าไปยุ่งกับมันจะรู้สึกว่ามันเอน็นซ้ายเอ็นขวาเอ็นหน้าเอ็นหลังก็ไม่เป็นไร ขอให้เรามีพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วดูลมไปเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวสำคัญนี่คืองานของเราเวลานั่งสมาธิงานของเราอยู่ที่พุทโธแล้วอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้อยู่ที่การมาตั้งเปลี่ยนท่าของร่างกายปรับท่าของร่างกายถ้าปรับอยู่เรื่อยๆมันก็ไปไม่ถึงไหนคำถามต่อไปจาก Facebook คนที่นั่งสมาธิได้ความสงบแล้ว มีความรู้ที่ผุดขึ้นมาถือเป็นมโนสังขารใหม่ครับและควรปล่อยวางใช่ไหมครับก็ความรู้ที่ปรากฏขึ้นมามันก็อยู่ที่ว่าเราสามารถอามาทำประโยชน์ได้หรือเปล่าถ้าเป็นความรู้ที่ทำให้เราฆ่ากิเลสได้ก็เอามาใช้ได้เช่นความรู้ที่ว่าร่างกายเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายเราไม่สวยงามร่างกายของคนทั้งหลายไม่สวยงาม สวยแต่ผิวหนะักข้างนอกพอมองเข้าไปข้างในแล้วไม่มีส่วนไหนที่น่าดูน่าชมเลยถ้าเป็นความรู้แบบนี้ก็เอามาพิจารณาต่อเอามาละลึกต่อมานึกถึงมันบ่อยๆเพราะความรู้แบบนี้จะทําให้เราฆ่ากิเลสได้ฆ่าความอยากได้แต่ถ้าเป็นความรู้ที่ไม่มีประโยชน์เป็นความรู้ที่มีโทษรู้ว่ า, เ, าเราจะรวยเราจะรวยอย่างนี้เองวดหน้าเราจะถูกหวย ได้เบอร์มาถ้าอย่างนี้อย่าไปเอามันเพราะว่ามันจะทำให้เร า, เามีความอยากเกิดขึ้นมีความอยากพอรู้ว่าแทงหวยแล้วจะรวยก็ได้เลขนี้มาแล้วก็ไปแทงหวยพอรวยก็ติดอยากจะรวยมากขึ้นพอถูกก็อยากจะถูกอีกเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นกิเลสไปฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในใจายนี้มันมีทั้งคุณมีทั้งโทษ เราต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษถ้าเราไม่รู้ก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจมันปล่อยมันผ่านไปคาถามต่อไปจากคุณสุชาดาแกรบนมัสการค่ะสอบถามกรณีที่สามีภรรยาแยกกระเป๋ามีส่วนที่รับผิดชอบแตกต่างกันเช่นค่าน้ำค่าไฟหรือซื้อของเข้าบ้าน แต่เวลาทําบุญส่วนใหญ่เวลาทําหลักหมื่นจะเป็นเงินของสามีอยากจะถามว่าทางภรรยาจะได้บุญจากการทําบุญด้วยกันหรือไม่หรือต้องหานสองคะก็มันอยู่ที่ว่าเป็นเงินของใครถ้าเป็นของเขาเราก็ไม่ได้บุญมันต้องเป็นเงินของเราเราถึงจะได้บุญหรือว่าเขายกให้เราเครื่องนึง่ง ทำบุญหมื่นหนึ่งนี่แบบให้คนห้าพันให้คุณทำบุญห้าพันถ้าก็ยกให้เรานี้แล้วเราไปทำบุญเราก็จะได้บุญคำถามจากคุณจิตกรเวลานั่งนานๆสองถึงสามชั่วโมงเกิดเวทนาทุกความเจ็บปวดอย่างมากแล้วเราถอนสมาธิเพราะเจ็บเราจะได้อะไรจากสมาธิใหม่ครับหรือมาดูที่พุโทโธ หรือมาดูที่ตัวทุกครับทุกไม่ดับจะมีวิธีแก้ให้ทุกดับหรือผ่านทุกอย่างไรครับคำถามนี้ไม่ไดก็ถามมาแล้วเนี่ยถอบไปแล้วถ้าเราถอยออกมาเราก็แสดงว่าเรายังไม่ผ่านถ้าเราอยากจะผ่านแล้วก็ต้องนั่งต่อไปแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันดับไปเองอย่าไปมีความรักความชังกับมันปล่อยให้มันอยู่เฉย มันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปขอให้เราอย่าไปยุ่งกับมันด้วยการดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้อยู่กับพุทธโธอยู่กับพุทธโธไปคำถามจาก Youtube จากคุณอุย๋ยกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเราพิจารณาอาหารที่ทานว่าต่อไปจะเป็นอุจระเพื่อไม่ให้ติดใจในรสอาหาร แต่กลับมามีการขึ้นไส้อาเจียนแบบนี้ขัดธรรมะข้อไหนคะอ๋อก็ถ้าพิจารณามากเกินไปมันก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านได้ถ้าเกิดการอาเจียนขึ้นมาเราก็ไม่ต้องพิจารณาพิจารณาเฉพาะตอนที่เราเห็นว่ามันน่ากินแล้วอยากกินก็พิจารณาว่ามันไม่น่าไม่น่ากินไม่ไมแล้วพอไม่อยากกินแล้วค่อยกินกินแบบไม่อยาก กินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายแต่อย่าไปพิจารณาจนกินไม่ได้หรืออาเจียนออกมาต้องหยุดพิจารณาเหมือนกับกินยามากเกินไปพอกินยามากเกินไปก็เกิดอาการแพ้ยาขึ้นมาการพิจารณาทางปัญญาก็เหมือนกันปัญญาเป็นเหมือนยาถ้าให้พอดีไว้สำหรับแก้แก้กิเลสมันก็ทำให้กิเลสดับแต่ถ้ามากเกินไปมันก็กลับไปปลุกให้กิเลสอีกตัวโผล่ขึ้นมา แล้วเราก็ต้องหยุดพิจารณาชั่วคราวพิจารณามากเกินไปหยุดพิจารณาแล้วก็กลับมาดูอาหารที่น่ากินให้มันเกิดน้ำลายไหลยอยากจะกินแล้วก็ค่อยกินไปด้วยไม่ด้วยความไม่อยากล้วเกิดความอยากกินขึ้นมาก็ต้องพิจารณาความเป็นปฏิกูลของมันใหม่เพราอให้มันกินแบบไม่อยากกินแบบกินยา คำถามจากคุณพีเจกราบเรียนถามเวลาทำสมาธิต้องนั่งนิ่งตลอดเลยใช่ไหมสามารถเปลี่ยนท่าได้ไหมคะ อ, อ๋อถ้าอยากจะให้จิตนิ่งสงบก็ต้องไม่เปลี่ยนไม่ต้องขยับร่างกายต้องให้อยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียวหรืออยู่กับลมไปอย่างเดียวแล้วจิตก็จะสงบถ้าคอยขยับร่างกายมันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ คำถามจากคุณบีนาถ้าในระหว่างวันท่องพุทโธสลับกับอิติปิโสเพื่อให้จิตใจอยู่กับสองบทนี้ได้ไหมคะหรือต้องเลือกบทใดบทหนึ่งคะอ๋อได้เปลี่ยนได้ขอให้เราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใช้บทสวดมนต์ก็ได้อิติปิโสก็ได้สวากขาโตก็ได้พุทธังสระนังกัชามิก็ได้อะไรก็ได้ ที่จะทำให้เราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้าเราเบื่อพุทธโธเราก็เปลี่ยนเป็นพุทธังสันังกชามิเบื่อพุทธังสันังกชามิก็สวากาโตภะกวาตาธโมสวดไปเปลี่ยนไปได้อยู่คำถามจากคุณเอ็มจีกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเคยฝันเห็นการเผาศพ บ, บนกองฟอนทําให้เกิดความสังเวชในสังขาร จึงนำมาพิจารณาต่อว่าร่างนี้ประกอบไปด้วยชั้นหนังชั้นเนื้อชั้นกระดูและสุดท้ายเป็นเพียงธาตุอากาศสลายไปทำแบบนี้ถูกไหมคะถูกแล้วแต่ไม่ได้เป็นธาตุอากาศเป็นธาตุดินน้ำลมไฟที่แยกตัวออกจากอวัยวะต่างๆย่อยสลายกับเคิืนสู่ดินน้ำลมไฟไป ไม่ได้กลับคืนสู่อากาศร่างกายนี้ไม่มีอากาศไม่ได้ทําจากอากาศทําจากดินน้ําลมไฟวันแล้วเลยวันแล้วก็คิดว่าพอสมควรนะวันนี้ก็พูดมามากมคนก็หายไปกับวันละไม่กี่คนก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ